เหตุทำให้ฝันสี่อย่างเหตุที่ทำให้คนฝันมีสอย่างว่าเป็นภาษาไทยๆให้จําง่ายดังนี้จิตอาวร์เทพสังหรนธาตุกาเริบกมบรดาลจิตอาวร์คือก่อนนอนในวงเล็บกลางวันวันนั้นจิตคิดเกาะเกี่ยวเรื่องใดมากพอหลับก็ฝันถึงเรื่องนั้นเช่นฝันถึงคนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียด หรือบางทีเรากำลังคิดกะโครงการว่าจะทำงานอะไรเราก็ฝันว่าได้ทำงานนั้นล่วงหน้าก็มี 2. เทพสังหรคือผลแห่งกรรมดีที่ทำไว้จะมาถึงแต่ภาพทิพย์มาปรากฏก่อนฝันอย่างนี้เรียกว่าฝันดีคือจะมีผลดีตามมาในวงเล็บคล้ายกับภาพช่อดอกไม้ที่มีคนยื่นมาให้ 3. ทาธาตุกำเริบ คือวันนั้นร่างกายไม่ปกติเช่นท้องผูกเป็นไข้หรือเมื่อยขบมากทำให้พวังเคลื่อนไหวเห็นภาพต่างๆเลือเล่อนๆลางๆในวงเล็บคล้ายกับตุ่มกระเทือนทำให้น้ำเป็นระรอกเกิดเป็นเงาลางๆความฝันชนิดนี้ผู้ฝันมักจะจำไม่ค่อยได้หรือจำได้กระท่อนกระแท่น 4. การบันดาล คือกรรมชั่วที่ทําไว้จะให้ผลภาพทิพย์มาปรากฏกรในวงเล็บคล้ายกับภาพไม้ตตพที่กล่าวแล้วฝันชนิดนี้เรียกว่าฝันร้ายคือจะมีผลร้ายตามมาพูดมาถึงตรงนี้ข้าพเจ้าขอเสนอความคิดเห็นนอกเรื่องสักหน่อยคือตามเนื้อเรื่องนี้น่าจะถือว่าความฝันที่เกิดเพราะจิตอาวร์กับเพราะาธาตุกาเริบ2 อ, อย่างนี้เป็นความฝันที่ไม่แน่ จะไม่มีผลอะไรบังเกิดขึ้นตามที่ฝันนั้นฝันแล้วก็อย่าป่วยการแก้เลยส่วนความฝันอีกสองอย่างคือความฝันเพราะเทพสังหรณ์และเพราะกรรมบันดาลเป็นความฝันที่มีเหตุและจะมีผลปรากฏขึ้นต่อไปทําไมจึงแก้ฝันกลับกันการแก้ฝันนั้นโดยทั่วๆไปเราแก้ตรงกันข้ามกับภาพที่เห็นในฝัน หรือแก้เลี่ยงไปบางทีก็ตีความหมายเอาเองเช่นฝันเห็นศพฝันเห็นของปฏิกูลแก้ว่าจะได้ลาบฝันเห็นงูไล่ว่าจะมีผู้หญิงรักยิ่งถ้าฝันว่างูไล่ทันแล้วรัดจนแน่นก็ยิ่งดีแก้ว่าจะเจอเนื้อคู่และจะได้แต่งงานกันที่ว่านี้โปรดเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ใช่นักแก้ฝัน แก้ไม่เป็นจริงๆว่าตามที่คนอื่นเขาว่าเท่านั้นเองคราวนี้ลองคิดดูสิทำไมเราจึงแก้อย่างนี้ทำไมจึงไม่แก้ว่าฝันเห็นศพจะได้ไปเผาศพฝันเห็นของปฏิกูลก็จะเดินไปเหยียบของปฏิกูลเข้าปัญหานี้ข้าพเจ้าสงสัยมานานแล้วและยังไม่เคยได้รับคำอธิบายเป็นที่พอใจมีแต่คิดเอาเอง จะผิดหรือถูกก็ไม่ทราบคือคิดตามเหตุผลแล้วภาพในภวังนั้นเป็นเพียงภาพเหตุของเรื่องนั้นๆเวลาแก้จึงมักจะแก้กลับกันเสียหรือแก้เบี่ยงบ่ายไปเหมือนกับเราก้มดูน้ำในตุ่มเราเห็นมีเงาก้อนเมฆ ก, กำลังลอยต่ำลงมาแทนที่เราจะพยากรณ์ว่ามีก้อนเมฆตกลงมาตรงนี้แต่เราก็ต้องพยากรณ์ว่า จะมีฝนหรือสายน้ำตกลงมาดังนี้เป็นต้นเพราะภาพก้อนเมฆที่เราเห็นนั้นยังเป็นภาพเหตุเกี่ยวกับความฝันนี้มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าสองอย่างใครจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นทางศึกษาค้นคว้าของท่านที่สนใจในเรื่องนี้คือข้าพเจ้าเป็นคนฝันแม่นและภาพที่ปรากฏในฝันนั้นเป็นภาพจริงไม่ต้องแก้ ข้าพเจ้าขอนำมาเล่าสัก 2-3 สเรื่องเรื่องที่1เมื่อข้าพเจ้าเป็นอนุศาสนาจารย์ประจำกองพลที่ห น, นครศรีธรรมราชสงครามมหาเอเชียบุรพาเพิ่งสงบลงใหม่ๆข้าพเจ้าฝันไปว่าท่านผู้บัญชาการกองพลที่หในวงเล็บคือท่านพลโทหลวงสวัสดิ์กลยุทธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุท ธ, ธศึกษาทหารบก เลยชวนข้าพเจ้าเดินขึ้นไปบนยอดเขาเล็กๆลูกหนึ่งบนยอดเขานั้นมีวิหารใหญ่อยู่หลังหนึ่งหลังคาชมรุธกระเบื้องหลุดเป็นแห่งๆท่านผู้บัญชาการชี้ให้ข้าพเจ้าดูตรงที่ชมรุษพลางพูดว่าเราจะพาทหารบุรณะวิหารนี้ตรงยอดเขาที่เรายืนนั้นมองไปทางทิศตะวันออกจะเห็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่มองไปอีกด้านหนึ่งมีแม่น้าไหลามาบรรจบกัน ภาพที่ปรากฏในฝันนี้เป็นภาพที่ข้าพเจ้าจําได้แม่นอย่างชนิดที่เรียกว่าภาพประทับใจจริงๆการเวลาผ่านไปนานหลายเดือนข้าพเจ้ากับท่านผู้ประชาการต่างก็ได้ย้ายไปคนละทางครั้นต่อมาข้าพเจ้าได้ย้ายไปเป็นอนุสาสนอาจารย์ประจํากองพลที่สนครสวรรค์และมีท่านผู้ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้เป็นผู้ประชาการกองพลวันหนึง่ง ท่านผู้ประชาการได้ชวนข้าพเจ้าเดินขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งอยู่วัดจอมเคียรีนาคบรรพศในวงเล็บวัดเขาติดกับบริเวณค่ายทหารบนยอดเขานี้ข้าพเจ้าได้เห็นภาพชนิดเดียวกันกันกบภาพที่ปรากฏในฝันของข้าพเจ้ามันเป็นภาพที่เหมือนกันจริงๆท่านเอย๋ยวิหารใหญ่หลังคาชมรุดเป็นแห่งๆทะเลสาบในวงเล็บบึงบรเพศ แม่น้ำไหลามาบรรจบกันมีครบทุกอย่างจนกระทั่งท้องฟ้าอากาศในขณะนั้นก็เหมือนกันและข้อสำคัญท่านผู้บัญชาการก็พูดกับข้าพเจ้าว่าเราจะพาทหารบุรณะวิหารนี้ซึ่งเป็นคำพูดประโยคเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจาได้ในฝันรวมความว่าบุคคลสถานที่เหตุการณ์และทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงขณะนั้นตรงกันหมดเรื่องที่สอง เมื่อสองปีล่วงมาแล้วนี้เองข้าพเจ้าอยู่กรุงเทพนี่แหละฝันไปว่าข้าพเจ้าได้ขึ้นไปยืนอยู่บนสำนักงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินลมพัดเฉวๆตัวสำนักงานนั้นกระเทือนยุบยับมองออกไปทางหน้าต่างเห็นภาพเมืองเมืองหนึ่งและมีเจดีย์ยอดทองเหลืองอร่ามอยู่ในเมืองนั้นห่างออกไปมีภูเขาสลับซับซ้อนพระอาทิตย์กาลังอุทัย เป็นภาพที่ประทับใจอีกและขาพเจ้าได้เล่าให้ใครต่อใครฟังหลายคนต่อมาประมาณ5เดือนขาพเจ้าย้ายไปเป็นอนุสาสนาจารประจำกองพลที่7ลําปางซึ่งเป็นกองพลตั้งใหม่เมื่อไปถึงแล้วก็มีการเปิดกองพลซึ่งเราต้องเข้าประจำที่ทำงานแต่6นาฬิกาเศษเศษเป็นการเอาเริกณนะที่นี้ภาพในฝันก็มาปรากฏชัดเก๋ขบพเจ้าอีก ที่ทำงานกองบัญชาการกองพลใช้พระพลาเก่าๆเป็นเรือนไม้ตั้งอยู่บนยอดเนินข้าพระเจ้ายืนที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในฝันอย่างครบถ้วนภาพเมืองลำปางเจดี JD ยอดหุ้มทองภูเขาสลับซับซ้อนพระอาทิตย์อุทยัยจนกระทั่งมีลมพัดฉิวๆด้วยเรื่องที่สเมื่อปีกลายนี้เอง ข้าพเจ้าฝันว่านั่งรถยนต์ไปที่ไหนไม่ทราบเป็นป่าๆครั้นรถเล่นไปเล่นไปก็ไปถึงแม่น้ําใหญ่ข้าพเจ้าลงจากรถแล้วยืนมองไปทางฝั่งตรงข้ามเห็นมีพระสงฆ์ 4- ถึงหรูปกับข้าราชการแต่งเครื่องแบบ 4- ถึงห้าคนยืนอยู่ที่ท่าในฝันรู้ได้ว่าท่านเหล่านั้นมารับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจําได้ว่าเล่าฝันนี้ให้ภรรยาของข้าพเจ้าฟัง และได้บอกด้วยว่าข้าพเจ้าอาจต้องเดินทางไกลไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็เป็นความจริงอีกต่อมาข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้เดินทางไปอบรมข้าราชการและประชาชนภาคสองข้าพเจ้าออกเดินทางจากจันทบุรีโดยรถยนต์จะไปจังหวัดตราดไปถึงแม่น้ำท่าจอดเรือภาพในฝันก็มาปรากฏแก่ข้าพเจ้าอย่างแจ่มชัดรถหยุดในวงเล็บ พระไม่มีสะพานข้ามข้าพเจ้าลงยืนมองไปฝั่งตรงข้ามเห็นพระกับข้าราชการมาคอยรับรวมความว่าทุกอย่างเหมือนกับที่เคยเห็นในฝันเป็นที่สังเกตว่าความฝันชนิดนี้จําได้แม่นยําอย่างที่เรียกว่าภาพประทับใจที่เล่ามานี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างความจริงข้าพเจ้าประสบกับความฝันชนิดนี้หลายครั้งมาแล้วจะกล่าวว่า มีอยู่เสมอๆก็ได้ความพิสดารในเรื่องความฝันของข้าพเจ้ายังมีอีกอย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าฝันต่อกันได้บางเรื่องก็2วันจบบางเรื่องก็3าถึงวันจบเรื่องที่ยาวที่สุดเคยฝันอยู่ถึง8วันคือครึงแรกฝันว่าตนเองได้ไปถวายสการะที่ฝังพระบ ร, รมศพรัชกาลที่หนึ่ง คือที่สองไปถวายสการะที่ฝั่งพระบรมศพราชการที่สองแล้วก็ฝันต่อไปจนครบ7คืนคือละองค์ละองค์จนถึงราชการที่7พอคืนที่8ก็ฝันว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่8เสด็จผ่านมาที่บ้านขณะนั้นราชการที่8ยังทรงพระชนอยู่เรื่องฝันแม่นกับฝันต่อกันได้นี้ไม่ใช่ความสามารถของข้าพระเจ้า คือมันเกิดขึ้นเองข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้เกิดหรือแม้จะทำก็คงทาไม่ได้แ น, แน่และไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าฝันอย่างที่เล่ามานี้เสมอไปหาไม่ได้ตามปกติข้าพเจ้าก็ฝันเลอะเทอะเหมือนกับคนอื่นๆบางทีอาจเลอะมากกว่าอีกหลายคนเสียด้วยซ้ำแต่ น, น, นานๆความฝันพิสดารตามที่เล่ามานี้ก็มาเยี่ยมข้าพเจ้าครั้งหนึ่ง ที่นำมาเล่านี้ก็ไม่มีความประสงค์อย่างอื่นนอกจากเพื่อเป็นทางสังเกตค้นคว้าหาเหตุผลสำหรับท่านที่สนใจศึกษาเรื่องจิตเท่านั้นข้าพเจ้าเองก็ยังไม่ทราบเหตุผลข้าพเจ้าต้องขอโทษอีกครั้งที่นำเรื่องส่วนตัวมาเล่าในที่นี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องภาพปรากฏในภวงังขณะหลับสาหรับท่านผู้สามารถสารวมจิตได้ในขณะตื่นอยู่ ด้วยการปฏิบัติทางสมาธิย่อมได้ประโยชน์ในการพิจารณาจิตของตนเป็นอย่างดีเพราะจิตอย่างนี้มีสติควบคุมอยู่ถ้าจะเทียบกับคนเข้าพักอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่คนหลับแต่เป็นคนที่ซุ่มนิ่งคุมเชิงอยู่จิตอย่างนี้ก็มีภาพปรากฏเหมือนกันบางคนได้ใช้ภาพนั้นพยากรณ์เหตุต่างๆก็มีที่เรียกว่าหมอดูทางในหรือ หมอดูทางวิปัสนาแต่หมอดูประเภทนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะเกเสเยียมากคือตัวเองไม่มีภูมิจริงแต่ทําเป็นนั่งหลับตาพยากรไปอย่างนั้นเองระวังไว้หน่อยก็ดีบทที่6กกิเลสกิเลสคืออะไรเมื่อพูดถึงเรื่องจิตแล้วจะเว้นไม่พูดถึงเรื่องกิเลสเลยดูไม่สมควรเพราะกิเลสมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตอยู่มาก ในฐานะเป็นศัตรูตัวร้ายกาจของจิตและคอยทำลายจิตอยู่เสมอผู้ศึกษาเรื่องจิตจะต้องศึกษาเรื่องกิเลสควบกันไปด้วยเหมือนกับเราเรียนวิชาเพาะปลูกเราก็จะต้องเรียนเรื่องตัวเพลี้ยตัวแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืช ด, ด้วยหรือเหมือนกับเราเรียนสุขวิทยาก็ควรเรียนเชื้อโรคด้วยกิเลสก็มีพฤติการคล้ายๆกับตัวศัตรูพืช หรือตัวโรคนั่นเองต่างแต่กิเลสเป็นพวกนามธรรมและเป็นศัตรูกแก่จิตหรือเป็นเชื้อโรคทางจิตใจเท่านั้นคำว่ากิเลสแปลตามตัวว่าเครื่องเศร้าหมองจิตหรือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองแปลอย่างนี้อมความไว้ได้หลายชั้นคือทําให้เรารู้ได้ว่ากิเลสเป็นอันหนึ่งต่างหากจากจิตจิตคงเป็นจิตไม่ใช่กิเลสและกิเลสก็ไม่ใช่จิต แต่กิเลสมีอำนาจทำให้จิตเศร้าหมองได้และโดยคำแปลอันเดียวกันนี้ยังส่งความให้เรารู้ไปถึงว่าลักษณะของจิต ท, ที่แท้จริงต้องไม่เศร้าหมองแต่มาเศร้าหมองเพราะกิเลสนี่แหละกิเลสเกิดขึ้นได้อย่างไรหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะจาได้ว่าจิตของคนเราทำงานได้หกทางคือรู้สีของรูปทางตา รู้เสียงของรูปทางหูรู้กลิ่นของรูปทางจมูกรู้รสของรูปทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งของรูปทางกายรู้เรื่องของรูปในวงเล็บอารมณ์ทางใจเป็น6กทางด้วยกันรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและอารมณ์ที่ผ่านมาถึงจิตนั้นมีสองประเภทคือดีอย่างหนึ่งไม่ดีอย่างหนึ่งในวงเล็บ ที่ว่าดีหรือไม่ดีในที่นี้ตัดสินด้วยความพอใจของแต่ละคนถ้าประสบกับฝ่ายดีความรักก็เกิดขึ้นในจิตถ้าประสบฝ่ายไม่ดีความชังก็เกิดขึ้นในจิตรักจัดจัดชังจัดจัดความหลงก็เกิดขึ้นในจิตในวงเล็บในอารมณ์ที่ชังจิตก็หลงได้คือหลงชังรักชังหลงสามอย่างนี้คือตัวกิเลส กิเลสเกิดขึ้นในจิตได้อย่างไรที่ยกมาพูดเฉพาะกิเลส ท, ที่เป็นต้นเขาโทษของกิเลสกิเลสหุ้มจิตกิเลสเกิดขึ้นแล้วย่อมหุ้มห่อจิตนานวันเข้าจิตก็ยิ่งถูกหุ้มห่อเข้าหลายชั้นจิตที่ถูกกิเลสหุ้มห่อจนหนาแล้วภาษาพระเรียกว่าปุถุชนแปลว่าคนหนาที่ว่ากิเลสหุ้มจิตนั้น ข้าพเจ้าไม่รู้จะแสดงให้ท่านผู้ฟังเห็นได้อย่างไรจึงขอวาดภาพให้ดูดังนี้ภาพกิเลสคุ้มจิตเป็นวงกลมซ้อนเข้าไปข้างในหลายวงจนถึงจิตวงนอกสุดโทสาคติถัดมาพยาบาทถัดเข้ามาโทสะถัดเข้ามาโกธะถัดเข้ามาปฏิฆะ ถัดเข้ามาอีกคือจิตนี่แสดงเฉพาะเรื่องความโกรธอย่างเดียวคนเราที่ว่าโกรธโกรธนั้นไม่ใช่เออะก็โกรธกึกขึ้นมาทีเดียวแต่มีอาการแปลไปหลายอย่างสำหรับข้าพเจ้าเห็นว่าพอเห็นรูปฟังเสียงและอื่นๆฝ่ายที่ไม่ดีปฏิฆะความขัดใจเกิดขึ้นก่อนถ้าระงรับไม่ได้โกทะความเดือดดานแห่งจิตก็เกิดขึ้น ถ้าระงับไม่ได้โทสะความประทุษร้ายก็เกิดขึ้นถ้าระงับไม่ได้พยาบาทความจองล้างจองผลาญก็เกิดขึ้นและแสดงออกเป็นโทสาคติต่อไปสิ่งเหล่านี้ห่อหุ้มจิตจนหนาหนาจริงๆเสียด้วยสังเกตดูคนที่รักมากๆโกรธมากๆโง่งมากๆถึงถูกใครว่าพอที่จะอายก็ไม่อายพอที่จะเจ็บก็ไม่เจ็บ หรือได้รับการอบรมสั่งสอนพอดีพอร้ายคำสอนไม่เข้าถึงจิตถูกกิเลส ท, ที่หุ้มปะทะไว้หมดท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นหรืออย่างน้อยคงจะได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนกำลังโกรธทะเลาะกันอย่างดุเดือดพอมีใครไปห้ามเข้าเลยพานหาเรื่องทะเลาะคนที่ห้ามนั้นบางรายถึงกับทาร้ายคนห้ามก็มี นี่เป็นเรื่องของกิเลสหุ้งจิตแท้ๆคำห้ามปรามหรือการสั่งสอนชี้แจงเข้าไปถึงจิตไม่ได้ถูกกิเลสปะทะไว้หมดการอบรมสั่งสอนคนอื่นนั้นความจริงเราต้องหาจังหวะเหมือนกันจึงจะไม่เสียแรงเปล่ากิเลสทำให้การตัดสินใจผิดพลาดขอให้ท่านผู้ฟังมองดูรอบๆตัวท่านนี่แหละสิ่งต่างๆในโลกเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เอง นอนขาวน่นเขียวนนนเหลืองถ้าท่านมองโลกด้วยตาเปล่าท่านก็จะเห็นโลกตามเป็นจริงคือขาวก็เห็นเป็นขาวเขียวก็เห็นเป็นเขียวเหลืองก็เห็นเป็นเหลืองแต่ถ้าท่านเอาแว่นตาสีต่างๆมาบังตาท่านเสียแล้วมองท่านก็จะเห็นสิ่งต่างๆคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงถ้าท่านใช้แว่นเขียวก็จะเห็นสิ่งต่างๆเขียวปื้ไปหมดถ้าท่านใช้แว่นแดง ท่านก็จะเห็นสิ่งต่างๆแดงแจะไปด้วยถ้าท่านใช้แว่นดำท่านก็จะเห็นสิ่งต่างๆดำมืดไปด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เขียวแดงดำตาท่านก็ไม่ได้เขียวแดงดำแว่นต่างหากที่มีสีอย่างนั้นและทำให้ท่านเห็นผิดไปนี่ว่าถึงการมองด้วยตาเนื้อการมองด้วยตาในคือจิตก็เหมือนกันแว่นสำหรับบางจิตมีอยู่สามแว่นคือ แว่นรักแว่นช้างแว่นเข่าจิตที่ถูกแว่นคือกิเลสเหล่านี้บางแล้วย่อมเห็นคลาดเคลื่อนไปได้เหมือนกันขอโทษเถอะผมขอพูดอย่างกันเองให้ฟังกันง่ายๆโปรดคิดถึงคนที่ท่านรักหรือพูดง่ายๆคือคู่รักของท่านอนะอันที่จริงคนที่เรารักก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรมากนะักพอๆกับชาวบ้านชาวเมืองนั่นแหละแต่ทําไมเราเห็นว่าเขาดี เขาสวยเหลือเกินสวยกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเขาจะเดินก็น่าดูมีสง่าเขาวิ่งเราก็ชมว่าเอาการเอางานดีร้องไห้ก็เห็นว่าน่าสงสารยิ้มก็มีสเสน่ห์หัวเราะก็น่าดูผิวดำเราก็ว่าดำขาถึงเขาจะโกรธกราฟียดกระฟาดอย่างไรก็ยังน่ารักอยู่นั่นแหละเขาว่าคนที่รักกันมากๆจนกระทั่งหมากระทั่งแมว บ้านนั้นก็น่าเอ็นดูไปหมดนี่เพราะอะไรเพราะความรักบังใจท่านแล้วใช่ไหมคราวนี้ท่านลองนึกถึงคนที่ท่านชังดูสิความจริงเขาก็พอไปวัดไปวาได้แต่เราก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเข้าท่าเสียเลยเขาเดินเราก็ว่าเขาช้าอืดอาดพอเขาวิ่งเราก็ว่าเขาไม่มีกิริยาร้องไห้เราก็คิดว่าสมน้าหน้า ยิ้มเราก็ว่าทะเลนผิวดำเราก็ว่าขี้เหลไม่ดำขํำเหมือนของเรานี่ก็เพราะความชังบังใจท่านแล้วใช่ไหมท่านเจ้าคุณศาสนาโสพลในวงเล็บจัตะสัลโลเจมวัดมกุฏกษัตริยารามท่านสอนไว้ดีมากท่านสอนว่าโทษคนอื่นเราเห็นเป็นภูเขา โทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรนี่ก็เพราะเรื่องความรักตนนั่นเองเราจึงไม่ค่อยเห็นโทษของตนคือความรักมันบังจิตเสียแล้วที่ร้ายก็เห็นเป็นดีไปหมดกิเลส ท, ทำให้เห็นผิดอย่างนี้คนเราลงได้เห็นผิดแล้วการพิจารณาและการตกลงใจจะให้ถูกได้อย่างไร เช่นคนที่โกรธจัดๆมักจะเห็นตัวเองเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าใครๆเห็นฝ่ายปรบปักกระจ้อยร่อยนิดเดียวอย่างที่ว่าเห็นช้างเท่าแมวนั่นเองลงได้เห็นผิดอย่างนี้แล้วก็โปรดคิดดูเถอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแน่ละเมื่อเห็นผิดแล้วการตัดสินใจก็ผิดการกระทําก็ผิดการพูดก็ผิดเลยไปกันใหญ่ กิเลสทำให้จิต ด, ดิ้นนอกจากที่กล่าวแล้วกิเลสยังทำให้จิต ด, ดิ้นอีกด้วยดิ้นอย่างไรดิ้นอย่างนี้คือดิ้ น, นรนที่จะเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งที่ตนรักมาเป็นของตนดิ้ น, นรนที่จะผลักไสสิ่งที่ตนชังให้ห่างไกลไปจากตนจิตที่ดิ้ น, นรนแล้วชั้นตนก็หาช่องทางคือคิดจะดาเนินในทางดีในส่วนที่รักก็คิดจะซื้อจะขอ ในส่วนที่ชังก็คิดจะปลีกตัวออกห่างแต่เมื่อคิดที่จะดำเนินการโดยละมุนละม่อมไม่สาเร็จหรือไม่ทันความประสงค์จิตก็จะคิดแสบไปทางชั่วคือดำเนินการ ห, ากหักโหมที่อยากได้ก็คิดลักคิดโกงที่ไม่ชอบก็คิดฆ่าคิดทำร้ายพอเห็นช่องก็สั่งกายสั่งปากให้ทำให้พูดต่อไปซึ่งเป็นการสร้างกรรมดังจะบรรยายข้างหน้า การปล่อยจิตของตนให้ดิ้นมากๆย่อมไม่มีผลดีเลยมีแต่ทางที่จะเสียนอกจากเสียในทางเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วดังกล่าวแล้วยังเป็นการทำลายสมรรถภาพของจิตนั่นเองให้เป็นจิตเพลาวกำลังลงจนกลายเป็นจิตที่อ่อนแอจริงอยู่กิเลสที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอาจทำให้จิตเป็นไปอย่างรุนแรงและบางทียังทำให้กล้ามเนื้อ มีกําลังมากขึ้นอย่างผิดปกติด้วยแต่สักครู่เดียวทั้งจิตทั้งกายก็ต้องสูญเสียพลังงานไปมากขอให้สังเกตดูหลังจากความโกรธสงบลงแล้วเราจะรู้สึกเพลียมากกว่าตอนเกิดความโกรธคือหมายความว่ากําลังที่เกิดเพราะความโกรธเราก็เสียไปแถมยังเสียกําลังที่มีอยู่เดิมไปอีกด้วยจิตที่ดิ้นรนมากๆกก็เหมือนกับคนดิ้นมากๆนั่นเอง หนักเข้าก็เหนื่อยหมดแรงบางคนจิตดิ้นรนมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมโซลงเลยเจ็บป่วยไปก็มีอันที่จริงความคิดความนึกก็เป็นอาหารของจิตในวงเล็บมโนสันเจตนาอาหารแต่ต้องคิดนึกให้เป็นจังหวะคิดไปตามแนวตามแถวต้องรู้จักยั้งคิดในที่ควรยัง้งรู้จัก คิดคืบหน้าไปในที่ควรคิดต้องฝึกจิตให้ได้อย่างนี้จึงจะได้ผลดีเหมือนกับการออกกำลังกายต้องทำถูกวิธีด้วยทำให้พอดีด้วยร่างกายจึงจะแข็งแรงได้ถ้าทำผิดวิธีหรือทำถูกวิธีแต่ทำเกินพอดีอาจตายเลยก็ได้กิเลสทำลายสุขภาพกิเลสม่ใช่จะทำร้ายแต่สมรรถภาพของจิตเท่านั้น แต่มันย่อมทำลายสมรรถภาพร่างกายด้วยหนังสือจิตวิทยาของด็อเตอร์หม่อมหลวงตุ้ยชุมสายได้กล่าวถึงผลการทดลองทางสรีรวิทยาใจความว่าขณะที่กิเลสทำให้จิตผิดปกติเช่นมีความโกรธหรือมีความทุกข์กังวลงานของกระเพาะอาหารจะชะงักหรือผ่อนลงมากหรือน้อยตามกำลังของกิเลสที่เกิดขึ้นนั้นคนที่โกรธจัด น้ำย่อยอาหารจะออกเพียง9ลูกบาศก์เซนติเมตรแทนที่จะเป็น 65-70 ถึงลูกบาศก์เซนติเมตรตามปกติและหัวใจจะเต้นแรงขึ้นทําให้เกิดความสึกหรอโดยทั่วไปคนที่มีความทุกข์กังวลมากน้ำหนักตัวจะลดแก่เร็วเกินวัยและอาจเจ็บป่วยลงได้ง่ายโทษของกิเลส ท, ที่เห็นกันได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งคือการทำลายสมรรถภาพโดยทั่วไปของบุคคล นักพูดนักเล่นกอล์ฟนักดนตรีนักมวยนักแม่นปืนและอื่นๆจะแสดงสมรรถภาพของตนได้ดีก็แต่ในขณะที่จิตใจอยู่ในระดับปกติเป็นส่วนมากถ้าจิตกำลังถูกกิเลสเล่นงานอยู่เช่นกำลังโกรธจัดจัดฝีมือจะตกทันทีคนโกรธ จ, จัดจัดแม้จะคิดเลขง่ายๆก็ทำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้ทางานที่สาคัญคญเลย